แต่ก็น่าแปลกเหมือนกันนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครนี้ก็มีมาตั้งนานแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เก่าท่าเตียนเอยหรือว่าท่าพระจันทร์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ยังคงเป็นที่เก่าๆนะคะวิญญาณยังไม่ได้ไปผุดไปเกิด หรืออย่างไรเพราะว่าเวลาก็ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วเหมือนกันนะคะแต่สาหรับเรื่องท่าเตียนนะคะที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็มีเรื่องของผีเรื่องของวิญญาณที่มีคนในละแวกนั้นไปพบเจอเหมือนกันนะคะซึ่งอ่านบทความที่ว่ามาทั้งหมดแล้วบอกตรงๆว่าการอ่านกับการฟังมันคนละเรื่องกันเลยคือเรารู้สึกนะคะว่าบางทีการฟังผู้คนแถานั้นเล่าจากปากมันได้อัธรษกว่านี้ หรือบางทีนะคะถ้ามัวฟังเขาเล่าก็อาจจะไม่ได้รายละเอียดอะไรแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมคะการฟังกับการอ่านมันคนละเรื่องกันจริงๆซะด้วยคือเรารู้สึกแบบนั้นเรื่องผีที่ไม่คนพบที่ท่าเตียนนั่นเนี่ย ที่ว่าผู้คนไปพบเจอแล้วก็เห็นชัดๆว่าเป็นผีถูกไฟคลอกตายมาแล้วก็มักจะพบที่ท่าเตียนซึ่งดูจากการแต่งตัวของผีนั้นเนี่ยคนที่พบหรือนักข่าวมักสรุปนะคะว่าบางทีอาจจะเป็นวิญญาณของคนสมัยก่อนที่ว่าโดนไฟคลอกตายเมื่อครั้นไฟไหม้ท่าเตียนครั้งใหญ่นั้นก็เป็นไปได้อยู่และอีกอย่างไฟไม่อาไฟมันก็ไม่ได้ไหม้ท่าเตียนแค่ครั้ง ครั้งเดียวเห็นว่าไม่อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะในข่าวบอกว่าคนที่พบนั้นพูดกันว่าท่าทางเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเมื่อคราวนั้นแน่แต่ก่อนอื่นเลยขอเท้าความถึงเรื่องแล้วก็ประวัติของท่าเตียนเอาไว้สักนิดนึงละกันนะคะท่าเตียนนั้นค่ะเดิมทีไม่ได้ชื่อท่าเตียนแต่ที่ได้ชื่อนี้มาอย่างนั้นเพราะว่าครั้งหนึ่งเกิดไฟไหม้ใหญ่จนบริเวณรายรอบนั้นถูกไฟไหม้ไปหมดจนไม่เหลืออะไรเลยทีเดียว นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งค่ะยังมีอีกตำนานที่ว่าท่าเตียนนั้นราบเตียนโล่งก็เพราะบริเวณนั้นเคยมียักษ์สตัวมาตีกันคุ้นๆใช่ไหมคะยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งนั่นเองค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชอบอ่านเรื่องเก่าๆหรือว่าชอบดูละครเก่าดูภาพยนตร์เก่าๆนะคะเชื่อว่าคงเคยได้ยินกันแล้วหละนะคะที่ว่ายักษ์วัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณราชวรมารามออกมาตีกันกับยักษ์วัดโพนะคะ ของวัดพระเจตุพนวิมลมังคลารามจนอาณาบริเวณแห่งนั้นถูกทําลายยับเยินแหลกรานไปหมดเลยทีเดียวเรื่องนี้ฟังหูไว้หูค่ะเพราะเรื่องยักษ์ตีกันเนี่ยเราบอกว่ามันเป็นไปได้แค่ตำนานที่คนพยายามสร้างเรื่องขึ้นมาให้ท้องกับชื่อมากกว่าแต่ก็มีตำนานสนับสนุนในเรื่องของยักษ์ตีกันอยู่ด้วยนะเรื่องยักษ์ตีกันเนี่ยเอาไว้หากมีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังละกันตอนนี้ฟังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่าเตียนกันก่นกอนดีกว่านะคะ เรื่องไฟไหม้ที่ว่าค่ะคือลองค้นหามาโดยตลอดแล้วก็สนใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของคำว่าท่าเตียนที่มีในบันทึกจดหมายเหตุในรัชสมัยรัชกาลที่6ครั้งนั้น เห็นกันว่าได้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่หลังวัดโพริ่มแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่ไฟไหม้คือตรงท้ามกันกับวัดแจ้งนะคะเห็นว่าแสงไฟที่ไหม้ค่ะสว่างขึ้นจับท้องฟ้าแล้วก็อาณาบริเวณนั้นจนแดงฉานไปหมดพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่6เคยปรารถกกับมหาดเล็กคนสนิทนะคะว่าพระองค์ทรงสเสด็จขึ้นไปทอดพระเนตรบนพระที่นั่ง จั ก, กรพรรดพิมานในพระบรมมหาราชวางังและภายหลังก็ส่งมาเล่าให้ข้าราชบริพารฟังว่าความร้อนของพระเพลิงแรงมาถึงพระที่นั่งที่ชั้นยืนอยู่เลยทีเดียวและในครั้งนั้นก็มีพระกระแสรับสั่งให้ทุกคนช่วยกันดับพเพลิงครั้งนี้ให้ได้แต่ว่าพระเพลิงพิโรธข่าวนั้นดุนแรงมากค่ะกินเนื้อที่เป็นอาณาบริเวณกว้างเรียกว่า ตั้งแต่วังอ่าวังเจ้าครอกวัดโพเดิมหรือที่เรียกว่าวัดอาวังพระองค์เจ้ากุนะคะเรื่อยมาจนถึงมุมท่าราชบวรดิตต่างโดนพเพลิงเผาจนหมดสิ้นนะคะตลาดร้านค้าร้านรวงตลอดจนบ้านเรือนราชฎรที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้นเสียหายหมดเพราะว่าโดนเพลิงทําลายกันทั่วหน้า ในคราวนั้นก็มีชาวบ้านร้านรวงที่มีบ้านเรือนร้านค้าถูกไฟไหม้ก็มาอาศัยกันอยู่ที่ทุ่งพระเมรุนะคะหรือที่เรียกว่าท้องสนามหลวงณปัจจุบันเห็นว่ามีคนโดนไฟคลอกตาอยู่หลายคนทีเดียวนะคะเพลิงไหม้บริเวณนั้นตกอยู่ราวสองสามวันก็เริ่มซาลงแล้วก็เริ่มสงบค่ะ จนพลตระเวนและก็เจ้าพนักงานสามารถสกัดเพลิงได้บางส่วนแต่ว่าถึงกระนั้นด้วยความที่พระเพลิงโหมไหม้อย่างรุนแรงทำให้ตลาดบ้านเรือนตลอดจนร้านค้าพาณิชย์แถวนั้นวอดวายไปมากเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากที่เพลิงสงบลงแล้วพระบาทสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้ารัชกาลที่6นะคะ ท่านก็มีรับสั่งให้เหล่าเสนาบดีจัดการช่วยเหลือราษฎรเป็นการด่วนและในะที่สุดค่ะการก่อสร้างแล้วก็ฟื้นฟูอาคารร้านค้าที่ไฟไหม้เป็นไปอย่างรวดเร็วตามแพร่กระแสะรับสั่งของพระองค์ท่านถึงกับมีการปลูกสร้างอาคารร้านค้าแล้วก็ตึกแถวอาคารพาณิชย์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึง่งซึ่งแต่เดิมเคยเป็นบริเวณที่ถูกไฟไหม้ใหญ่ครั้งนั้นและบริเวณนั้นก็ถูกเรียกขานกันว่าท่าเตียนมาตั้งแต่ครั้งนั้นนั่นเองค่ะ นั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เรื่องนี้ก็นับเป็นเรื่องราวในสมัยหลังๆแล้วนะคะว่ากันว่าท่าเตียนนั้นเนี่ยได้เกิดเครืงไหม้ใหญ่อยู่หลายครั้งบางตำราก็บอกว่าไหม้ตั้งแต่รัชกาลที่3บางเล่มก็บอกว่าไหม้ในรัชกาลที่4ที่5แต่หาหลักฐานยืนยันยากนะคะคือที่แน่ๆค่ะแล้วก็พอจะหาอ่านได้ก็เห็นจะเป็นรัชกาลที่6นะคะแต่นั่นก็จะเป็นการไหม้ครั้งหลังแล้วซึ่งก็เคยไปอ่านเจอหนังจากหนังสือสยามสมัย เหมือนเคยเป็นหนังสือพิมพ์นะคะไม่แน่ใจที่บันทึกเรื่องราวส่วนนี้เอาไว้คือในบันทึกนั้นบอกแต่เพียงว่าเพลิงไหม้กินอนาบริเวณกว้างเท่าไรนะคะแต่ที่เป็นเรื่องอ่านและก็ดูมีอภินิหานนั้นกลับเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่ว่าถูกไฟคลอกตายไปในครั้งนั้นนั่นเองนะคะคนที่ตายนี่ชื่อว่าในมิงค่ะ ว่ากันว่าในมิ่งเป็นนักเลงนักเลงสมัยนั้นไม่ใช่นักเรียนนักเลงเหมือนอย่างเด็กช่างกลสมัยนี้นะคะเอะขัดใจนิดขัดใจหน่อยก็ยิงกันตายไม่หายแค้นก็ปลาระเบิดเอาน้ํากรดสาดหรือไม่น้อยใจพ่อแม่หรือแฟนก็ผูกคอตายไม่ใช่แบบนี้ค่ะนักเลงสมัยนั้นเป็นนักเลงจริงๆไม่ข่มเหงผู้หญิงคนแก่เด็กๆและคนที่อ่อนแอกว่า เวลาตีกันก็ล่อ ก, กันด้วยหมัดมวยหรือใช้อาวุธก็แค่ไม้ตะพดไม้คมแฝกนะคะไม่มีหรอกค่ะไอ้ที่ว่าจะไม้รอบยิงกันรับหลังเห็นว่านักเลงสมัยนั้นเป็นที่กลัวเกรงของคนนะคะเพราะว่าเป็นคนใจถึงและเป็นลูกผู้ชายด้วยกันทั้งนั้นทีนี้กลับมาถึงเรื่องของไนมิ่งตายกันก่อนค่ะว่ากันว่านายมิ่งเป็นพวกเล่นของมีวิชาอาคมสารพัดแล้วก็สามารถล่องหนอมประหลอดเสกประลอดได้พอฟังมาถึงตรงนี้ เออมันก็ดูแปลกๆเนาะคือที่คนมันจะเก่งขนาดนี้กลับตายเพราะว่าถูกไฟไหม้นะคะว่าที่จริงแล้วเนมิ่งไม่ได้ถูกไฟคล อ, อกตายหรอกมีคนเขาบอกนะคะว่าจริงๆหลายๆคนที่พูดมาในหนังสือพิมพ์ที่ไปอ่านเจอเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ตายเพราะถูกไฟไหม้หรอกเขาบอกว่าในมิ่งตายเพราะว่าไปรู้ไปเห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเข้าโดยบังเอิญอา่าประมาณนี้นะคะ ก็คือเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่โจดจันในสมัยนั้นมากเลยแ่ะคะ่ะเพราะว่าวันที่เกิดเรื่องนายมิ่งเพิ่งกลับมาจากดูละครชาตรีที่วิกแถวถนนโรงครกนะคะถนนโรงครกนี้ปัจจุบันก็คือสถ า, านีตารวจนะคะนครบาลพระราชวังตัววังเหลืออยู่เพียงอาคารด้านหน้าเท่านั้นนะคะเพียงหลังเดียวนะคะนายมิ่งเดินกลับมาจากละแวกหลังวัง ถนนรงครกก็ตกในราวตีสี่เสร็จแล้วนายมิ่งก็เดินมาเรื่อยๆเดินเลียบถนนท้ายวางังออกมาด้านข้างวัดโพพอข้ามถนนก็ถึงตลาดท่าเตียนพอดีแต่เวลานั้นที่นี่ยังไม่ได้มีชื่อแบบนั้นทันทีที่นายมิ่งเดินเข้ามา จะเข้าบ้านก็เห็นแสงไฟกระเด็นแวบๆ ว, วุบๆออกมาจากร้านค้าห้องหนึ่งในมิ่งรู้แล้วว่าไฟกำลังจะไหม้ก็เลยตะโกนบอกต่อๆกันเสียงในมิ่งไม่ใช่เบาๆนะไม่นานผู้คนก็พากันตื่นตกใจลุกขึ้นมาดับไฟกันโกลาหล น, นะคะแต่ทว่าช้าไปซะแล้วเพราะไม่ว่าจะช่วยกันดับไฟสักเท่าไหร่ไฟก็ไม่มีทีท่าว่าจะดับลงกลับลุกโพลงแล้วก็ลุกลามไปติดยังที่ต่างๆขึ้นอีกรวดเร็วค่ะ สุดท้ายไฟก็ไหม้แล้วก็ลามไปทั่วละแวกนั้นและกินอานาบริเวณกว้างขวางออกไปทุกทีจนสุดท้ายก็กลายเป็นไฟไหม้ใหญ่แล้วก็โหมไหม้ชุมชนแถวนั้นอยู่ถึงสองวันและก็ตั้งแต่เวลาที่นายมิ่งตะโกนเรียกให้ทุกคนรีบตื่นมาเพราะว่าไฟไหม้แล้วนายมิ่งก็หายตัวไปตั้งแต่ตอนนั้นนะคะไม่มีใครเลยสักคนเดียวที่จะพบตัวนายมิ่งอีกเลยนายมิ่งหายไปไหนได้อย่างไรทําไมไม่มีใครรู้ว่าเขาหายตัวไปแห่งหนตนาําบลใด หรือมีเรื่องอะไรต้องรีบหนีเสียขนาดนี้นมิ่งหายไป2วันค่ะพอตกวันที่3ก็มีคนพบตัวนมิง่งแต่ว่านมิ่งที่พบตัวในครั้งนี้นมิ่งไม่มีลมหายใจซะแล้วนะคะนมิ่งตายค่ะร่างของเขาถูกไฟเผาดำเป็นตอตะโกตายคากองไฟที่เพิ่งไหม้ไป ส, สดๆร้อนๆ คนตระเวนมาชนสูตรศพในมิ่งก็บอกว่าในมิ่งไม่ได้ตายเพราะว่าสำลักควันไฟหรืออย่างไรนะแต่ว่าในมิ่งถูกฟันด้วยของมีคมเสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะคะไม่มีใครรู้ค่ะคุณผู้ฟังว่าในมิ่งตายเพราะอะไรแต่ว่าหลายคนสันนิษฐานนะคะว่าในมิ่งตายนั้นเพราะว่าไปพบเห็นการกระทําของใครบางคนหรือหลายคนที่กําลังทําการอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ การบางอย่างที่ว่านั้นค่ะทุกคนตีความว่าน่าจะเป็นการวางเพลิงเพื่อไล่ที่ชุมชนซึ่งวิธีการเยี่ยงนี้มีมานานแล้วและนายมิ่งมาพบเห็นเข้าโดยบังเอิญเลยถูกเก็บเพราะก่อนหน้านี้นายมิ่งก็ยังตะโกนเอะอะโวกเวกให้คนช่วยกันดับไฟอยู่เลยเห็นว่าฆาตกรช่วยกันฆ่านายมิ่งจนสําเร็จแล้วนะคะก็ทิ้งศพเอาไว้กลางกองเพลิงหมายจะให้ศพของนายมิ่งมอดไหมจนไม่เหลือร่องรอยอะไร แต่การกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าต่อให้ไฟโหมไม่นานวันแล้วก็นานแค่ไหนแต่ว่านายมิ่งเป็นคนมีอาคมดังนั้นไฟจึงไม่ไหม่ตัวนายมิ่งเสียทั้งหมดนะคะเห็นว่ามีบ้างค่ะ เป็นบางส่วนที่ไฟไหม้และบางส่วนก็เป็นปกติดีทุกอย่างคราวนั้นจับมือใครดมไม่ได้เพราะว่าต่างก็ไม่มีใครรู้ว่าเนมิ่งไม่ชอบพอกับใครหรือเคยมีเรื่องกับใครบ้างจากนั้นนะคะแสงไฟสงบลงในวันที่3ที่4ก็มีเรื่อง แ, แปลกๆเกิดขึ้นแถวท่าเตียนนี่แหละค่ะมีหลายคนนะคะมาฟ้องร้องที่สถานีตํำรวจตระเวน 2- อสาแห่งในละแวกนั้นโดยคนเหล่านั้นต่างก็พูดกันค่ะว่ามีคนเห็นเนมิ่งเดินไปเดินมาอยู่บริเวณละแวกนั้น คราวนี้ในคราวแรกนะค ะ, ะความนี้ในคราวแรกกลับฟังไม่ขึ้นแต่หลังจากที่มีคนมาที่โรงพักพลตระเวน3 4รายเรื่องนี้ก็ประหลาดพอดูเนาะนทุกคนที่มาร้องเรียนให้การตรงกันนะคะบอกว่าในมิ่งเนี่ยถูกไฟคลอกตายไปแล้วมาเดินแถวแถวละแวก น, นั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่น่ากลัวมากผู้คนทั้งคนเฒ่าคนแก่ลูกเด็กเลยอ่ลูกเล็กเด็กแดงต่างก็กลัวผีในมิ่งกันไปทั้งหมดนะคะ แรกๆพลตะเวนก็ไม่ได้ใส่ใจก็คิดว่าคงเป็นการเล่นตลกหรือเป็นกลอุบายของใครทําเป็นผีในมิ่งมาหลอกเพื่อเอาขบขันซะมากกว่าขั้นวันที่ค่ะคราวนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นซะแล้วเพราะว่าผีในมิ่งออกมาอาลวาดแล้วจับผู้ชายคนนึงเผาทั้งเป็นและทิ้งศพไว้ท้ายตลาดที่ท่าน้ํและแวกตลาดใหม่ในที่นั้นนอกจากศพที่ถูกเผาแล้วยังมีคนบ้าอยู่อีกคนหนึ่งด้วย คนบ้านนั้นเอาแต่นั่งตัวสั่นด้วยความกลัวและพูดอยู่ประโยคเดียวบอกว่าอย่าทําฉันฉันกลัวแล้วพี่มิ่งอย่าทําฉันฉันกลัวแล้วพลตเวนก็เลยไปสอบถามดูค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ความในใจ ก, ก็ไม่ได้ความอันใดนะก็เลยพาคนบ้าให้กลับมาลงพักพลตเวนอ่ะเอาคนบ้ามาจับไว้ก่อนละกันพอสายๆก็มีคนมาแจ้งความอีกเรื่องก็คือเห็นผีในมิ่งทําร้ายคนผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาโรงพักและเห็นคนบ้าที่ถูกขังอยู่ในห้อง ก็ตกใจยกใหญ่เพราะเธอรู้จักกับคนบ้าคนนี้พลตเวนถามดูได้ความว่าคนบ้าคนนี้เนี่ยชื่อว่าไอ้ดอนอยู่ห้องแถวติดๆกับเธอเมื่อวานไอ้ดอนยังไม่ได้เป็นบ้านี่เธอว่าเธอเห็นอยู่ตอนเย็นไอ้ดอนถูกนายสักที่เป็นนักเลงอีกคนหนึ่งบังคับให้ไปทําอะไรสักอย่างแล้วก็หายไปไม่เห็นหน้านายดอนตั้งแต่นั้นแล้วคืนนั้นทั้งคืนนายดอนก็ไม่ได้กลับมาเพราะว่าปกตินายดอนจะกลับมานะเธออยู่ห้องข้างๆจะได้ยินเสียงเสมอแต่เมื่อคืนนี้เงียบกริบ คืนนี้เธอว่าเธอนอนไม่หลับผัวเธอละเมอและนอนกรนเธอเลยลุกออกมาจะเข้าห้องน้ําพอออกมาก็เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเดินยักๆแย่ๆยัก ย, ก ย, ก ย, กยกัพอคนคนนั้นเดินมาจนถูกแสงไฟตะเกียงแก๊สเธอก็เห็นหน้าผู้ชายคนนั้นได้ชัดเจนว่านั่นมันคือในมิ่งในมิ่งนนแน่แน่ฉันจําหน้าของเขาได้ดีหน้าของเขาเหมือนกับศพที่เห็นเมื่อวานไม่มีผิดเลยคือตกใจมากลนลานกลับเข้าห้องรีบกลับเข้าห้องเลยอะ่ะ คือพอรุ่งเช้านะคะคุณผู้ฟังเห็นไม่ได้การเขาก็เลยรีบมาแจ้งความที่สถานีตารวจนะคะทีนี้เนี่ยผู้คนในละแวะกนั้นเนี่ยมาแจ้งความกับตำรวจทุกวันนะคะว่ามีแต่ข่าวในมิ่งข่าวในมิ่งเดินท่องๆมีคนตายมีคนเป็นบ้าก็เลยไม่สบายใจ และทีนี้เนี่ยก็เลยหวาดกลัวกันหมดมีพลตระเวนเดินยามก็น่าจะบรรเทาความกลัวได้อยู่บ้างแต่ว่าคืนนั้นค่ะพลตระเวนที่เข้าไปเดินยามและแวกนั้นกลับไม่พบอะไรผิดปกติเลยนะคะแต่สิ่งที่ผิดปกติไปเกิดอีกที่ใกล้ๆกันมีคนพบศพบนาสักนอนตายโดยถูกเผาจนเกรียมเช่นเดียวกันกับศพเมื่อวานในาสักตายไม่มีใครรู้สาเหตุแต่ว่าบ่ายวันนั้นค่ะนด่อนและก็ที่ทุกคนคิดว่าเป็นบ้านเนี่ย เขาก็หายเป็นปกติที่เขาดูเหมือนคนบ้าเพราะว่าเขาช็อกแล้วก็ตกใจกลัวอย่างรุนแรงครั้นนายดอนหายก็รับสารภาพทุกอย่างนายดอนบอกนะคะบอกว่ามีคนจ้างพี่ศักให้พวกให้พาพวกเนี่ยไปเผาไล่ที่ริมน้ำหลังวังเจ้าครอกวัดโพนายศักดิ์รับทรรมวันนั้นก็พาไอ้หัว กับข้าเนี่ยไปพอไปถึงก็เอาน้ำมันราดระจุนทั่วงแล้แวกนั้นพอเริ่มจุดไฟเผาพี่มิ่งแกก็มาซะก่อนแกมาถึงพอเห็นข้าแกก็โวยวายให้ทุกคนช่วยกันดับไฟพี่ศักดิ์เห็นอย่างนั้นแกก็เลยเอาคมแฝกเนี่ยฟาดพี่มิ่งจนแกล้มลงแล้วพี่ศักกับพี่ห้วงก็เลยรุมทาร้ายพี่มิ่งจนตายแล้วก็เอาศพไปไว้ในกลองเพลิงหวังว่าจะให้ไฟเผาไหม้ไปให้หมด ทุกคนก็เห็นกันชัดๆว่าพี่มิ่งตายแล้วแต่ว่าเมื่อวานก่อนเนี่ยขายังเห็นพี่มิ่งแกออกมาฆ่าพี่หัวแล้วก็จุดไฟเผาข้าเห็นกับตาเลยทีเดียวนายดอนหบอกนะคะว่าที่พี่ศักตายก็เห็นจะเป็นเพราะว่าพี่มิ่งอีกแน่ๆเพราะว่าแกมีอาคมแกไม่ได้ตายจริงๆแกจะมาฆ่า ค่าค่าในด่อนด้วยนะคะแต่ว่านายด่อนก็แหกปากร้องด้วยความกลัวจนแทบจะเป็นบ้าไปอีกสุดท้ายทางกรมพลตระเวรแล้วก็เจ้าพนักงานก็ทำการสืบสวนแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่จะรู้ว่านายศักด์กับนายห้วตายได้อย่างไรใครเป็นคนลงมือทานะคะส่วนนายด่อนหลังจากวันนั้นก็หายตัวไปไม่มีใครพบอีกเลยผู้คนแถวละแวกที่ไฟหไหม้ภายหลังบริเวณนั้นก็ได้ชื่อใหม่ว่าท่าเตียน แล้วต่างก็ไม่มีใครเห็นผีในมิ่งออกมาเดินอีกเลยนะคะและนั่นก็คือเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้นะคะในหนังสือสยามสมัยของกอสรอ กุหลาบนะคะนักบันทึกประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังจะอ่านจะคน้นก็ต้องพิจารณากันหน่อยนะคะแต่เรื่องนี้ก็นับเป็นเรื่องแปลกอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่เรานําเรื่องโบราณโบราณมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องแปลกๆที่มีบันทึกเอาไว้เมื่อร้อยกว่าปีนะคะแต่ปัจจุบันนี่ร้านรวงร้านขาย่านทาเตียนนี่เปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือหมดแล้วนะคะความน่ากลัวอย่างนั้นไม่มีในสมัยนี้อีกเพราะว่าอาณาบริเวณนั้นพลุกพล่านไปด้วยผู้คน ที่สัญจรไปมาไหนจะยังมีหน่วยงานราชการนักเรียนนักศึกษาที่เดินผ่านไปผ่านมามากมายท้ายที่สุดค่ะคุณผู้ฟังเรื่องราวของนายมิ่งนักเลงและประวัติแปลกๆของท่าเตียนก็สิ้นความลงที่นี่เช่นเดียวกันค่ะ